6. กิเลสสังยุตหนึ่งจักขุสูตรว่าด้วยจักขุ 322. ยสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตะนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในคานะนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ฉันตราคะในชิวหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันตราคะในกายนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันตราคะในมโนนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอก็น้อมไปในเนคขมมะ อเนกขมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งจกักขุสูตรที่หนึ่งจบ 2. รูปสูตรว่าด้วยรูป323เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคาในรูปนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคาในสรัทธาฉันทราคะในคันธะฉันทราคาในรสฉันทราคะในโผพธพภะฉันทราคะในธรรมารมณ์นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอจะน้อมไปในเนคขมมะอันเนคขมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งรูปสูตรที่สองจบสาม วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณ324เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทะาาในจักขุวิญญาณนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทะาาในโสตวิญญาณฉันทะในคานะวิญญาณฉันทะาา ใ, าาาาในชิวหาวิญญาณ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 ที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิง่งวิญญาณสูตรที่สามจบ 4. สัมผัสสะสูตรว่าด้วยสัมผัส325ยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคาในจกักรุสัมผัส นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันราคาในโสตสัมผัสฉันราคาในคานะสัมผัสฉั น, ร า, า น, นราคาในชิวหาสัมผัสฉันราคาในกายะสัมผัสฉันราคาในมโนสัมผัสนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุในธรรมที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่ง สัมผัสสัชชาสูตรว่าด้วยสัมผัสสัชชาเวทนา326เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันราคะในจักขุสัมผัสสัชชาเวทนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันราคะในโสตสัมผัสสัชชาเวทนาฉันราคะในคานสัมผัสสัชชาเวทนา ฉันทราคะในชิวหาสัมผัสสชาเวทนาฉันทราคะในกายสัมผัสสชาเวทนาฉันทราคะในมโนสัมผัสสชาเวทนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตพิษุทั้งหลายเมื่อใดพิษุในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัมผัสสชาสูตรที่หจบ หสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญา327เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันราคาในรูปสัญญานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันราคะในสัทธสัญญาฉันราคาในคันทสัญญาฉันราคาในรัศสัญญา ฉันทราคาในโพธพัสสัญญาฉันทราคาในธรรมสัญญานี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพิกษุในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิง่งสัญญาสูตรที่หกจบ7สัญญาเจตนาสูตร ว่าด้วยสัญญเจตนา328เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปสัญญาเจตนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในสัทธสัญญเจตนาฉันทราคะในคันทาสัญญเจตนาฉันทราคะในรสะสัญญเจตนา ฉันทราคะในโพธัพัสสัญญาเจตนาฉันทราคะในธรรมสัญญาเจตนานี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุในธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิง่งสัญญาเจตนาสูตรที่เจ็จบ8ตัณหาสูตร ว่าด้วยตันหา329ยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคาในรูปตันหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคาในสัทธตันหาฉันทราคาในคันธาตันหาฉันทราคาในรสตันหาฉันทราคาในโพธพธาตันหา ชันทราคาในธรรมตัณหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งตัณหาสูตรที่8ปดจบเก้าธาตุสูตรว่าด้วยธาตุสา้ยสาสิบ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคาในปัทวีธาตุนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคาในอาโปธาตุฉันทราคาในเตโชธาตุฉันทราคาในวายโยธาตุฉันทราคาในอากาศธาตุฉันทราคาในวิญญาณธาตุ นี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพิกษุละความเศร้ามองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอที่น้อมไปในเนคขมมะอันเนคขมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิง่งถ้าตุสูร ท, ที่เก้าจบ สิคันทสูตรว่าด้วยขันสามร้อเดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันราคะในรูปนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันราคะในวิญญาณ น, นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใด ภิษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอที่น้อมไปในเนคขมมะอันอเ น, เนกเนคมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิง่งคันทสูตรที่สิบจบกิเลสสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ 1. จักขุสูตรสองรูปสูตร 3. วิญญาณสูตร 4. สัมผัสสูตร 5. สัมผัสสชาสูตร 6. สัญญาสูตร 7. สัญญาเจตนาสูตร 8. ปัญหาสูตร 9. ทาธาตุสูตร 10. ขันธ์สูตร